ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นไงเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดําเนินไปตามนั้นนี่รลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาก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 เพราะมีที่ตรงเราจะตรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ถิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอํานาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ่ามนาของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลําบากไม่บ้างในการฝืน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 เมื่อเชื่อต่อเหยยต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทาลงไปการฝืนทาลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพ้มได้รับก็ต้องมีความน้มเย็นเป็นถุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุญขุน ม, มัวไปหมดใจทั้งดวงกาเป็นไฟทั้งกองไปเลย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 ข้อเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากอย่างไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยน่เพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำดานี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนที่พร้อมมีสติขึ้นมายับยั้ง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 เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกลัวโกรยทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลําดับอยู่หรือนี่แทนที่นี้สติจิจที่ได้สตินั้นก็ยับย้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้กิตพระจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเท่อเหตุไร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 ในการฝืนในการบังคับกิตไม่คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบละอ่นเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้น ม, มาอีกแล้วก็พบผ่อนคลายตัวได้ยุบมีที่ปรุงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย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 กิจเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกความร้อนนีนีเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพ่อเขาพูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราเจะเข้ามายึดทำไมของสกรปรกก็ทรามแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกรปรกเรายังหลีกให้ห่างกัน ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพรทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของตกกระโปกแล้วเราทําไมเราชอบไอ้คุกรีชอบไปยุ่งชอบไปนํามาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความตกกระโปกไปหมดทั้งจิต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 เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บน่นเนี่ยเพราะเหตุอะไรต้งบน่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทําไมในะจิงที่ไม่ถึงที่เป็นทุกข์แต่ฝืนคิดทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นเช่นนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์นี่วิธี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 อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเปลี่ยนใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้ถ้าดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบมัสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสํสาสคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันน่าจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นจุกไม่เดือดร้อนวุ่นวาย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 จิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิต ท, ที่มีคุณงามความดีประจําใจย่อมจะไม่ประเกฏในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศ ล, ลรรำเป็นเครื่องพยุงลุงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจ คิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ต่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทําต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลํำดับลาดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช้นนี้เป็นธรมรมดาตั้งแต่ไหนแต่ใรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่า ก, กรเอกัมมังสเตยุพัชติยะดิดังหินัปปณีตัง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 ให้พึงทราบว่านี้แลคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่ล้วไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งทิ้งหมดฤทธิ์หม ด, หมดอํานาจของกรรมที่ทําำมานี้แล้วถึงจะหมดไปได้นผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำหนัก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 ต้องเป็นกรรมวันยังคทำและเป็นผลดีชั่ววันยังคทำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากทางกรรมจึงเมื่อกลัวเรื่องซุ่ม 4, สี่ซุมห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ออืถ้ากลัวนรกก็ลกลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุทาขันนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไอนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี้ ให้รู้สึกตัวตัวตัวนี้ให้มีสติพินิมีปัญญาพินิพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังผิดผิดขึ้นมามันผิดยาผิดหรือผิดคุณธรรมขึ้นผ่านจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทําตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นไทยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเฮียชาชนา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 ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนาธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประบฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทํำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการข้องหลัก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 ซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากก็จริงจริงมันเฟอคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่ไม่มีเฟอร์ความดีมีมากเท่าไรไม่เฟอไม่มีเฟอระดีเท่าไหรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนา ม, มันคงขยาจ ย, ยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจํานวนมากน้อยถึงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเฟอผิดกันครับสิ่งต่ตางๆที่มีการเฟอได้เช่นเงินเฟอ คนเฟอ้อเราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟอ้อสิ่งของที่มีมากๆร้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิร์มดับดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอ้อจะหารคำราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมาี้ใครจะเกาะจ ะ, จะจับตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลกมากนี่เพราะจิเลศตัหามันจเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ให้มันจเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวอันนี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอสิ่งส่งเสริมให้จิเลศตัญหาราคามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปรีวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นเสแล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 โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสําหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอร์แล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วเราจะไปตำหนิใครที่นี่คนมนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอร์ใชเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะยอ่อเพียงเท่นี้อมนุษย์เฟอร์ปไปแล้วแล้วเราจะตำหนิคนอื่นเราก็เฟอร์ถ้าที่ไหนมันไม่ดีสําหรับเราเรียกว่าเราก็เฟอร์เหมือนกัน นี่เราหลักธรรมมุติธรยมมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอ้เฟอๆอยู่เวลา น, นี้อให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอ้อออกสิ่งที่เฟอ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย้วนอนเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียดนั่นแหละคือความเฟอ้อแก้มันออกความขี้เกียร์ความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อ บุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ไมด้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเออเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้ ว, ลวมัตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นพราะท่านที่ว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายม า, มากับความเกิดนะอย่างพระสาวโบทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกับความตายเป็นของคู่กัน เมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไป น, นั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายก็ต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาอืหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายมันแก้กันมาได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กันเนี่ยสู้มันอย่างนั้น เราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกตจองจําทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกนไม่ได้ขนาดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่โสโครกเพราะกุะ่มลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเดองการแก้ตัเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปี่ยนพราะทีเจ้าท่านเคยแก่อย่างนี้เราอะไรมาแก้ เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีนั้นในปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี้ก็หมายถึงวัฏจกักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แต่เราเราเอาอะไรมาแก้เท่าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญา ศรัทธาความเปลี่ยนเล่นลงไปเอาตายก็ตายโลกนี่มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปจกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเพียนเราที่จะทําตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพรักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากรงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะที่เหลืองตัวเองนี้ยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ ยงกระทั้งชนะแต่โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหนือนั่นเอกันจะเคมัตตานังสเวสั้งงามมัญชุตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐจุดในโลกนั่นปังเซชนะสิ่งเหนั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเหยี่ยวเนื่องเป็นเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย ติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนหนเดียวเท่านั้นตายตายจะเพราะหนเดียวที่อัตภาพมีอย่างนี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายเยท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดที่หาจจับจอ ง, จองปา่าช้าเท่าะอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องปา่าช้านี้มันควรจะเบือบ่อกันทันทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละฉาบโลกทุกตัวัตว์ มีแต่นักจองปราชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปรชาชญ์ที่ไหนก็เอาตัวของเราเนเองเป็นปัาชามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมาจะมาขยันจองนะจองบัาชามันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เสด็ดไม่หลาตรงนี้จะเสด็ดหละที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ภายแกเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายเท่านั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธานในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ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 นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจงกระทัง่งถึงที่นี่การดําเนินเขามีความถูกความสมายดาเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบารุงจิจตใจต้นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผลเ้าจิตใจเนียอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโรยจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลนดับจนกระทั่งจิตไปถึงความ ชอบทําโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอา ล, ละการแสดงทกาก็เห็นว่าสมควรเจอเวลาพอยุติเพียงท่านี้